เรื่องพระผู้เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตากรุณาโดยสุจิพามีแสงหรือแม่ทวีน้อยไปด้วยซ้ำสำหรับคำคำนี้ที่จะกล่าวถึงองค์หลวงตามหาบัวท่านผู้ที่มีหัวใจเข้าไปหาองค์หลวงตาด้วยธรรมะเท่านั้น จึงจะซึ้งกับคาคานี้ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ได้ไปทำบุญและฟังธรรมจากท่านข้าพเจ้าได้พบเห็นและได้สัมผัสกับความจริงด้วยกายวาจาใจของตัวเองจนสามารถพูดได้ว่าไม่ได้ศรัทธาเพราะเขาบอกต่อกันมาไม่ได้ศรัทธาเพราะรูปงามไม่ได้ศรัทธาเพราะได้รับเครื่องรางของขลังไม่ได้ศรัทธาเพราะพูดจาโน้มน้าวอ่อนหวานยกย่อง ไม่ได้ศรัทธาเพราะเอาอกเอาใจญาติโยมไม่ได้ศรัทธาเพราะรูปแบบระเบียบภายนอกไม่ได้ศรัทธาเพราะความมีชื่อเสียงแต่ศรัทธาเพราะการปฏิบัติสมเป็นพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาเพราะสั่งสอนตามหลักพระธรรมโดยไม่แปรผันผิดเพี้ยนหรืองมงง่ายศรัทธาเพราะความเมตตาโดยไม่มีประมาณต่อทั้งคนและสัตว์ศรัทธาเพราะ พูดจริงทำจริงและปฏิบัติตนเองได้จริงจึงสั่งสอนผู้อื่นและที่สุดแห่งศรัทธาคือแม้ปัจจุบันท่านจะอายุ95ปีแล้วแต่ท่านยังออกโปรดสัตว์ไปทั่วโดยไม่ยอมแพ้สังขารไม่ยอมพักผ่อนเหมือนผู้สูงอายุทั่วไปเหนื่อยแสนเหนื่อยแต่ท่านก็ยังทุ่มเทท่านรณรงค์รับบริจาคเงินทองเป็นหมื่นล้านทั่วประเทศทาสาธารณกุศลมากมาย แต่องค์ท่านอยู่กุฏิไม้เล็กๆธรรมดาตั้งแต่ข้าพเจ้าเกิดมายังไม่เคยเห็นใครเสียสละได้ขนาดนี้นี่แหละที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าเพียงได้เห็นท่านก็เป็นบุญเมื่อได้ทำบุญกับท่านยิ่งเป็นบุญใหญ่ยิ่งได้ฟังและปฏิบัติธรรมกับท่านยิ่งเป็นบุญอันสูงสุดข้าพเจ้าจึงไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ความเมตตาของหลวงตาที่ข้าพเจ้าจะเล่าและพูดถึงคงเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะเรื่องบางเรื่องหากเล่าไปแล้วคนไม่เข้าใจจะเป็นบาปกรรมกันปเปล่าๆประมาณพศ2540ข้าพเจ้าไปทาบุญเป็นประจำกับหลวงปู่เจียจุนโทท่านพูดถึงหลวงตาให้ฟังอยู่บ่อยๆประกอบกับข้าพเจ้ามีลูกสาวคนหนึ่งชื่อเทวีซึ่งหลวงปู่เรียกนิ้วดำ เนื่องจากมีปานดำขนาดใหญ่อยู่ที่นิ้วโป้งตอนนั้นเทวีอายุสามขวบครึ่งหลวงปู่เมตตามากท่านจะเล่นด้วยทุกครั้งที่ไปกราบหลวงปู่ท่านรักเด็กท่านบอกเด็กๆไม่มีมารยาและยังบอกข้าพเจ้าให้พาไปหาหลวงตาพระมหาบัวบ้างข้าพเจ้ากราบเรียนว่าอุดรมันไกลแต่ท่านบอกว่าเวลาหลวงตามาสวนแสงธรรมมันใกล้ตอนแรกข้าพเจ้าไม่ไป ามีคนบอกว่าหลวงตาดุมากจึงเรียนหลวงปู่ว่ามาหาหลวงปู่ดีกว่าคนไม่มากดีเวลาหลวงตามาสวนแสงธรรมคนไม่หาหลวงตาแยะแล้วแต่หลวงปู่ก็ยังสั่งให้ไปและให้พานิ้วดำไปด้วยและท่านยังบอกอีกว่าข้าตายก่อนหลวงตาหลวงตามาไม่กี่วันข้าอยู่วัดทั้งปี ข้าพเจ้าเชื่อในคําสอนของครูบาอาจารย์จึงพาครอบครัวไปกราบหลวงตาเหมือนท่านรู้ด้วยญยาณของท่านว่าข้าพเจ้ากลัวท่านจึงเมตตาครอบครัวข้าพเจ้ามากท่านพูดคุยด้วยและถามว่ามาจากไหนข้าพเจ้าบอกว่ามาจากหลวงปู่เจียแล้วท่านก็เอาช็อกโกแลตห่อผ้าให้เทวีพร้อมทั้งบอกว่าเด็กคนนี้สมาธิดีจ้องเราตั้งแต่เข้ามาจนเดินกลับไป และท่านยังบอกอีกว่าถ้ามีเวลาให้พาเด็กคนนี้มาทุกวันตั้งแต่นั้นมาข้าพเจ้าก็พาลูกไปเกือบทุกวันสลับกับไปทําบุญกับหลวงปู่เจีย๊ยะและหลวงตาก็จะฝากคำพูดกับเทวีไปบอกหลวงปู่เจีย๊ยะหลวงปู่เจี๊ยะก็จะฝากคำพูดกับเทวีมาบอกหลวงตาคนที่อยู่ในช่วงปีพศ .2540 ถึงปีที่หลวงปู่เจี๊ยะอาพาธหนักจะทราบเรื่องนี้ดี ถ้าไปทำบุญกับหลวงตามาหาบัวที่สวนแสงธรรมสิ่งใดที่ดีหรือไม่ดีอันจะเกิดขึ้นหลวงตาจะเตือนตลอดแต่กรรมก็คือกรรมจะอย่างไรมันก็ต้องเกิดเช่นเรื่องต่อไปนี้แหวนหายตอนเช้าวันหนึ่งหลังจากที่หลวงตาเทศเสร็จ ก่อนกลับกุติท่านได้บอกกับเทวีว่าวันนี้ให้รีบกลับบ้านอย่าไปแวะที่ไหนกลับบ้านเลยจำได้ไหมเทวีกราบเรียนว่าจำได้เจ้าคะ่ะตอนนั้นเธออายุประมาณหกขวบแล้วเราก็กราบลาลุงตาเมื่อสามีขับรถกลับบ้านระหว่างทางเพื่อนโทรมาให้ไปเก็บเงินที่คอนโดจึงเลยไปหาเพื่อนเมื่อเสร็จธุระก็ แ, แวะไปซื้อยา วันนั้นเทวีมีน้ำมูกมากจึงสั่งน้ำมูกใส่กระดาษทิชชู่ไว้กองหนึ่งใกล้ๆ ก, ก, กับแหวนที่สามีห่อด้วยกระดาษทิชชู่เช่นกันซึ่งถอดไว้ตอนรับประทานอาหารเพราะกลัวเลอะเมื่อซื้อยาเสร็จสามีเห็นถังขยะหน้าร้านก็รวบรวมกระดาษทิชชู่ทิ้งทั้งหมดและขับรถกลับบ้านโดยไม่ทันได้คิดอะไรพอตกกลางคืนคิดได้สามีลงจากบ้านไปเอาแหวนที่ถอดไว้ในรถแล้วนึกขึ้นได้ว่า กอบทิ้งไปกับกองทิชชู่ทั้งหมดแล้วจึงรีบขับรถออกจากบ้านไปที่ถังขยะปรากฏว่าเทศบาลเก็บขยะไปหมดแล้วส่วนถังขยะที่เหลืออยู่จ้างให้คนค้นก็ไม่มีท่านผู้อ่านผู้ฟังทราบไหมว่าเราเสียใจกันมากแหวนวงนั้นเป็นไพลิน 4.75 กรัตล้อมเพชรราคาไม่ต้องพูดถึงถ้าเราทำตามที่ท่านสั่ง ขับรถกลับบ้านเลยโดยไม่แวะที่ไหนแหวนคงจะไม่หายนี่แหละกรรมก็คือกรรมท่านช่วยเราและบอกเราเป็นไนไนแล้วแต่เราก็ต้องใช้กรรมของเราอยู่ดีเมียน้อยข้าพเจ้ามีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่ง เป็นคนสวยฐานะดีนิสัยดีแต่มีกรรมสามีของเขามีเมียน้อยข้าพเจ้าพาไปกราบหลวงตาและนำผ้าไปบางสุขุณหลวงตาท่านมองด้วยความเมตตาและบอกเขาว่าการกิเลสมันไม่เข้าใครออกใครยุ่งเกี่ยวและมันออกยากเพื่อนข้าพเจ้าได้ฟังก็ปลงแล้วเริ่มมาทำบุญปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นมาชีวิตเขาก็ดีขึ้นสามีก็ดีขึ้นแต่ยังไม่สามารถเลิกกิเลสตัวนี้ได้ ถึงแม้จะเบาบางไปทุกวันนี้เพื่อนข้าพเจ้ายังมาทำบุญกับท่านจิตใจเข้าถึงธรรมแม้สามีจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทุกร้อนเหมือนแต่ก่อนเขาพิจารณาตามที่ท่านสอนไว้แต่ตอนแรกว่ากิเลสตัวนี้มันออกยากเอานมไปกินเสีย ตอนเทวีหกขวบข้าพเจ้าจะรีบปลุกเขาให้ตื่นเพื่อมาทำบุญกับหลวงตาตอนเช้ามีอยู่วันหนึ่งสายแล้วประมาณ6นาฬกานาทีต้องรีบออกจากบ้านจึงไม่ได้ให้ลูกดื่มนมซึ่งเป็นนมกล่องเพราะกลัวไม่ทันทำบุญใส่บาทพอมาถึงศาราถวายอาหารเสร็จสักพักหลวงตาเรียกเทวีไปหาและพูดว่าวันนี้ไม่ได้กินนมใช่ไหมอา้าเอานมไปกินเสีย ข้าพเจ้าอายท่านมากกับข้าวจากบาทการรับประทานอาหารก็เหมือนกันพอหลวงตาฉันพัตนาหารเสร็จทุกคนก็จะไปตักข้าวรับประทานในศาลาวันนั้นข้าพเจ้าขี้เกียจตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปรับประทานข้างนอกจึงตักข้าวกับปลานิดหน่อยให้ลูกรับประทานพอท่านหันมาดูเทวี ท่านเรียกเขาไปแล้วล้วงกับข้าวในบาทใส่จานให้เทวีแล้วท่านก็พูดว่ามีแต่ข้าวไม่มีกับจะกินลงได้อย่างไรนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านสอนข้าพเจ้าอย่างสุภาพตั้งแต่นั้นมาข้าพเจ้าจึงตั้งใจว่าจะไม่บกพร่องในหน้าที่อีกเพราะเรื่องอาหารเด็กเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันต้องเตรียมให้พร้อม วิธีรักษาคนเป็นลมข้าพเจ้าพาคุณแม่ไปทำบุญกับหลวงตาเมื่อปีพศ2548คุณแม่อายุ78ปีท่าทีแข็งแรงตอนเช้าหลังจากหลวงตาเทศเสร็จทุกคนก้มลงกราบท่านเมื่อเง่อยหน้าขึ้นท่านกวากมือเรียกข้าพเจ้าจิงคลานเข้าไปท่านสอนข้าพเจ้าว่าเวลาคนแก่เป็นลมให้จับที่ไหปลา ดันขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังและจับที่ต้นคอหลวงตาเคยทำมาแล้วพักเดียวหายเรื่องนี้ท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังสามารถนำไปทำตามได้เพราะเป็นคำสอนของท่านข้าพเจ้าซึ่งในคำสอนท่านมากจดจำไว้และก้มกราบท่านเชื่อไหมหลังจากนั้นไม่นานคุณแม่ก็เป็นลมกลางดึกข้าพเจ้านึกถึงคาสอนของหลวงตาจึงปฏิบัติตามพร้อมทายาบริเวณที่นวดด้วย อาศเจนมากพักเดียวคุณแม่หายเลยข้าพเจ้าคิดว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้รับการสั่งสอนจากพระอระหันต์และได้ทําบุญกับพระอระหันต์ที่บ้านของตัวเองคือคุณแม่ของข้าพเจ้าหลวงตาเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐจริงๆได้เห็นท่านอยู่ใกล้ๆก็ทําให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีความสุขมากแล้ว